พระธรรมเทศนาแผ่นที่65าลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่31พฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าอย่าลืมตัวว่าตายไม่เป็นเมื่อวาน เมื่อวานเป็นวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2557เมื่อวานเป็นวันสำคัญทางบ้านตาตสมัยเมื่อองค์หลวงตา ย, ยงังทรงธาตุขันอยู่ท่าน ก, ทานก็ทําบุญเปิดโล ก, กาธาตุท่านปาราบถึงโยมมารดาของท่านที่ท่านโยมมารดามรณะภาพมรณะ ที่เป็นชีจากนั้นท่านก็ทำบุญ อ, อพอทำบุญโยมบรรดาเสร็จแล้วท่านก็ว่าน่าจะทำบุญให้กับทุกคนที่มาเกี่ยวข้องหรือว่าทาบุญให้เปิดโลกธาตุให้สรรพสัตว์ทางหลายที่ตกทุกข์ยากพอที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราก็ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศล หลวงตาท่านเป็นผู้มีเมตต า, ท, าท่านก็ทำบุญเปิดโลกกระถัทำบุญเย่งใหญ่ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งที่ทำบุญฟุทธิ่วนกุศลคือเมื่อวานวันที่30พฤษภาทุกปีแต่วันก่อนหน้านี้หลวงพ่อวันที่29หลวงพ่อก็ไปที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรหลวงพ่อได้ประกาศที่นั่นเหมือนกันนะ บอกคณะจัทธาราโยมอุดรเน่าทางวัดป่าบ้านตาตามปกติของหลวงตา ย, ยังสงทาดขันอยู่ท่านก็ทาบุญเปิดโลกธาตุเน้อวันที่30คณะจัทธาราโยมลูกหลานเก่าแก่ควรจะไปร่วมร่วมกัรทาบุญเนหลวงพ่อก็ได้ประกาศเมื่อวันที่29ที่พิทยาลัยสารพัดช่าง อุดอรพอเป็นคนเมืองอุดอรที่มาร่วมทาบุญวันนั้นก็เยอะอยู่อันนี้เราก็คือการทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลหลวงตาของเราตั้งสอนพวกเราไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทให้มีเหตุผลในการเป็นอยู่ในการทำมาหาเหลี้ยงชีพทำ การทำเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาหลวงตาท่านได้นำสั่งสอนลูกหลานเพราะนั้นเมื่อวานในท่านก็ถึงท่านหลวงตาจะล่วงลับดับขันไปแต่คณะสิทธิอนุสิ์ทั้งหลายก็ควรจะยึดแนวแถวของหลวงตาเอาไว้ทำไมก็เพราะว่าท่านทาบุญเพื่อใคร อันนี้เราก็ต้องถามวรงตาปารลบใครปา ร, รบโยมมารดาของท่านและก็พร้อมกันกับญาติโกโหติกาไม่ใช่แต่โยมมารดาโยมพ่อของท่านญาติพี่น้องของท่านผู้ที่ถวายที่ดินวัดป่าบ้านตาดในนั้นด้วยแต่เราที่อยู่เบื้องหลังก็ควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศล เพราะหลวงตาพาดำเนินมาที่ปาลบโยมมันดาของท่านถืออย่างงถึงหลวงตาท่านจะจุตินิพพานไปแล้วแต่ท่านอื่นละ่ะยังมีกิเลสอยู่ยังไปนิพพานยังไม่ได้ยังไม่ถึงพระ น, นิพพานบางทีอาจจะไปสู่สวรรค์กลับลงมาบางทีก็ไปตกนรก กลับขึ้นมาบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉนันขึ้นมาบางทีไปเป็นเปรตคืนมาในช่วงที่คืนมายังต้องการบุญกุศลต้องการผู้สนับสนุนจากบงสาคณาญาติจากญาติมิตรสหายพวกเราก็ทาบุญในช่วงนั้นแหละอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่ต้องการบุญต้องการกุศล แต่ถ้าเขารวยอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องให้เพราะมีอยู่แล้วแต่ผู้ที่ยากจนพวกเราได้ทำบุญในพระพุทธ ศ, ศาสนากวนทำบุญอุทิศสวนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ยากและก็พร้อมกันเราก็น้อมจิตอุทิศด้วยถวายหรือว่ามอบให้กับผู้มีอุปกรณ ถึงท่านจะมีความสุขกายสบายใจอยู่แล้วก็ขอให้ท่านประสบอายุวันะสุขภาระลาบยศสรเสริญสุขในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อันนี้เราก็แผ่เมตตาทุกหัวและแหงในการสร้างบุญทำบุญทำบุญเมื่อทำบุญแล้วอุทิศ จ, จิตในจิตในใจของพวกเรานี่แหละถ้าพวกเรามี น้ำจิตน้ำใจต่อกันอย่างนั้นไปอยู่นัสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดไปนัสถานที่ใ ด, ใใดอยู่ในชุมชนกลุ่มใดก็มีแต่ความสุขเพราะไม่คิดจะเบียดเบียนไม่คิดจะรังแกไม่คิดจะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาตามไม่จริงการเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ต้องฟังฟังเหตุฟังผลฟังสูงฟังต่ำ ไม่ใช่ดันทุลังแ่าเข้ามาดันทุลังคำนี้นะอย่างที่หลวงปู่จามพูดเมื่อกี้นี่ที่หลวงพ่อนั่งรถมาจากในบ้านโยมเปิดเอ็มพสามหลวงปู่จามท่านยกพระชนะพระชนะนี่เกิดมาในภพหลังๆก็ ะสั่งสมบา ร, รมีมาทางไม่ยอมฟังใครท่านว่านนะไปอยู่ที่ไหนแข็งก้าวอยู่เป็นวันๆอยู่เป็นเดือนๆปีๆปมีแต่เอาทิฏฐิมานะมีแต่ดันทุกลังอย่างเดียวพอเกิดมาพบนิชตินี้กับเป็นนายชนะเป็นผู้นำนาพระพุทธเจ้าไปทรงผนวดเมื่อพระพุทธเจ้าอาได้ตดรัสรู้ เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญนนาณนายชนะก็เข้าไปบวชแต่ไปบวชก็ไม่ยอมฟังใครขนาดพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ยอมฟังดานทุลังอยู่อย่างนั้นนะผลในสุดก็เมื่อพระพุทธเจ้าจะปริ้นิพานท่านก็สั่งพระอานุ์ว่าอานนุ์ให้ลงพ ม, มทันกับช น, นะนะขณะพระพุทธเจ้าก็ยังยอมแพ้น่ะคนทิฏฐิมานะไม่ใช่ธรรมดานะ ไอ้พวกดันทูลังทั้งหลายแหละคนไม่ยอมฟังเหตุไม่ยอมฟังผลยอมแพ้ให้ลงผร ม, มทันกับฉันนะนะเมื่อพระพุทธเจ้าพริริพานไปแล้วก็พระสงฆ์ก็ถามว่าพระพุทธเจ้าได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าได้สั่งว่าให้ลงผร ม, มทันรกับฉันนะทํำยังไงพระพุทธองค์ก็บรรยายเมื่อเราตถาคต ปรินิพานแล้วให้พวกท่านทั้งหลายประชุมพร้อมกันพระสงฆ์พร้อมกันแล้วก็ประกาศขึ้นในถามกลางสงว่าพระชนะ เ, เป็นผู้นำพระพุทธองค์ไปทรงพัะหนวดแต่ว่าบวชเข้ามาแล้วไม่ยอมฟังใครพระพุทธองค์ให้ลงผมมาทานกับชนะให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระฉันนะจะด่าใครจะปริพฤาษใครจะดูถูกเหยียดหยามผู้ใดพวกท่านทั้งหลายอย่าตอกล้อต่อเถียงนิ่งท่านจะด่ายังไงท่านจะว่าให้ตามทำตามอัธยาศัยเรายกให้แต่พร้อมกันพวกเราท่านทั้งหลายอย่านับเนื่องว่าฉันนะเป็นหมู่ของเราเพราะว่าเขาทําตนอย่างนี้จะเป็นหมู่ของเราได้ยังไง ปล่อยให้ท่านช น, นะเป็นอิสระในการเป็นอยู่ท่านจะดา่าท่านจะทาอะไรก็ตามตามสบายแต่จะไปคบค้าสมาคมเอออย่าไปร่วมกินอย่าไปร่วมฉันอย่าไปร่วมคุยอย่าไปร่วมสนทนาอย่าไปร่วมพูดอะไรด้วยกับช น, นะให้ท่านโดดเดน่นโดดเดียวของท่านเองอท่านจะทำอะไรท่านจะด่าใครเอา้าตามความชอบใจ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอสงจงรับทราบประกาศในถ้ำกลางสงฆ์พระสงฆ์ก็รับทราบเพราพระพุทธเจ้าสั่งให้หลวงพ่อมาทันใครจะฟ้าพื้นพระชนะได้ยินเท่านั้นแหละเป็นลมเลยเขาอ่อนเลยหงายหลังเลยจากนั้นยอมสารภาพในเดี๋ยวนั้นเลยก็ผมขอกลับตัวกลับใจจะเป็นผู้ มีเหตุผลจะเป็นผู้ยอมรับฟังต่อสงพระสงฆ์พูดมีเหตุผลข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับฟังเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขราผมยอมสารภาพพระสงฆ์ก็เลยประกาศ อ, กอีกกับคำเออเอาัะนะยอมสารภาพแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสงให้นับเนื่องว่าชนะเป็นหมู่เพื่อนเราเป็นสหธรร ม, มิกของเราเป็นผู้หวังดีกับพวกเราท่านทั้งหลาย นะจากนั้นพระชนะก็เป็นผู้ดีเลยจ้ะนี่ยเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจไม่นานนะท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตนะ์เหมือนกันนะพระชนะ น, นั่นแหละทิฏฐิมานะจุดนี้นะ เ, เราจะไปมองข้ามเตลิดเปิดเปิงไปก็ไม่ได้ในเมื่อท่านกลับจิตกลับใจใหม่ท่านก็พร้อมที่จะได้สาเร็จมรรคผลแต่ถ้าดันทุลังอยู่อย่างนั้นนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมีแต่กิเลส อย่างลุงพ่อมาพิจารณาดูแล้วอย่างท่านเทวทัตเนี่ยออย่างท่านเทวทัตที่ท่านเบียดเบียนพระพุทธเจ้ามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยท่านก็คงจะลืมลืมและลึกถึงความตายของตนเองเหมือนกันนะอพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเท่าไหร่พอท่านอายุแปดสิบปีอย่างลุงพ่อปีนี้ก็เจ็ดสิบแล้วใช่ไหมล่ะ จากอีกนี้ไปสิปีเนะี่ยท่านประกาศพระศาสนาแนะนําสั่งสอนปวงประชาพุทธบริษัททั้งหลายให้รู้สิลรู้ธรรมล้วนแล้วแต่เป็นแนวหนทางสร้างบุญสร้างกุศลทางนั้นแต่เทวทัฒน่ยววอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนแสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยลืมตัวอย่างมากๆถ้าใครเขาตามถ้าคิดว่าตัวเองจะตายนะ่ย เรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันเล็กมากเพราะเหตุหลายเพราะอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนอีกต่างหากใครว่าคิดว่าอีกสักร้อยปีนะข้าพระเจ้าจะตายถ้าใครคิดอย่างนั้นเกิดแสดงบอกคนนั้นโง่มากถ่าหลวงพ่อเอียนคิดหลวงพ่อเอีนก็โง่อีกเหมือนกันเหลวงพ่อเอียนคิดว่าข้าหายใจไม่เข้าเมื่อไหร่ข้าต้องตายข้าหายใจไม่ออกเมื่อไหร่ข้าต้องตายชีวิตของข้าอยู่ที่ปลายจมูกที่ลมเข้าแล้วลมออกเท่านั้นเอ อันนี้ก็คือถ้าคนระลึกถึงความตายอยู่เสมอนะมันจะไม่หลงไม่ลืมตัวทำอะไรก็ทาอะไรเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านหลวงพ่อว่าใครก็ตามถ้าคิดว่าตัวเองจะไม่ตายตายไม่เป็นนั่นแหละคนนั้นแหละลืมตัวหลงลืมตัวอย่างมากเห็นแหละควที่ถูกกันนะพอออกจากชาตินี้ไปกั น, นลงที่ไหนีน เ, เวทีมหานรกมันคุ้มกันไหมกับการดันทุลังกับคิดว่าตัวเองจะไม่ตายเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้ฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะจะเป็นพระ เ, เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามเป็นคณะตัดทายญาติโยมพวกเราท่านทั้งหลายให้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าชีวิตของข้าเนี่ยไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยืนนานสิ่งไหนจะเป็นคุณงามความดีควรจะประกอบสิ่งนั้นให้มากทําให้ดีที่สุด คิดดีที่สุดทำไม่ดีที่สุดพูดให้ดีที่สุ ด, ด, ส, ดสิ่งไหนที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อตอนตัวข้าพเจ้าเองตัวของเราเอง น, นั่นแหละอันดับแรกสิ่งไหนที่มันจะเป็นประโยชน์กับข้าพเจ้าให้ทำสิ่งนั้นให้พูดสิ่งนั้นให้คิดสิ่งนั้นถ้าว่าเราคิดดีทำดีพูดดีแล้วสิ่งไหนที่มันผ่านเราไปมันก็ดีทั้งหมด ถ้าเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วนะมีแต่คิดพยาบาทอาฆาตคนอื่นของเขาเมีจะเอารัดเอาเปรียบเขามีจะแกงแย่งเข า, เ, าเราหวังเพื่ออะไรชีวิตของพวกเราเพียงแค่นี้ไม่พอเหรอหลวงพ่อนะหลวงพ่อว่าพอนะหลวงพ่อพ อ, อฉันวันละมื้อเพียงแค่นี้เหลืออยู่เหลือฉันอีกต่งางแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรม ก็ไม่ได้บังคับขู่เข็นพวกเรามีต่างคนก็ต่างมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน เ, เมื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปมาสร้างวัดของเราเนี่ตั้งแต่ปีสองสามถึงห้าเจ็ดกี่ปีแล้วใครจากไปบ้างไม่รู้กี่คนเราละ่ะ เล่าล่ะแต่ท่านเหล่านั่นไปหลวงพ่อก็อุ่นอกอุ่นใจเพราะต่างคนก็ต่างได้ไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลนั่งภาวนาตัมอัฐภาพของเราแต่ถึงยังไงดีกว่าไม่ทําเลยที่ดีกว่าที่พวกเราไม่ได้พบพุทธศาสนาดีกว่าไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีดีกว่าคนอื่นที่พวกเราคิดนะ แต่คนอื่นเขาอาจจะไม่คิดอย่างเราก็ได้แต่เราเนี่คิดว่าเราดีกว่าที่เราได้พบพระ พ, พุทธศาสนาได้พบพระธรรมคมสอนของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่างนี้อย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อภาคภูมิใจไม่เสียชาติเกิดพูดอย่างนั้นได้เลยถึงเราจะบวชมาแต่เล็กแตน้อยก็เถอะแต่วันเราคิดย้อนหลังมาถึงจุดนี้เราเสียใจไหม ไม่มีความเสียใจแม้แต่น่อยหนึ่งมีแต่ดีใจเราคิดถูกว่ะพอเราเป็นคราวาสเราก็จะต้องสร้างบาปสร้างกรรมสร้างครอบสร้างครัวสร้างอะไรตัวไม่อะไรตั้งเยอะแยะไปหมดมแต่สิ่งเหล่านั้นที่สร้างมานั่นเราได้อะไรพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาราณาญาติเรื่องเรามองเห็นเขาได้อะไรไปกระดูเขาก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้ เราจะเก่งจะวิเศษขนาดนั้นเที่ยวเหรอพอเราสหาเงินได้เราจะแบกเงินไปด้วยอย่างงั้นใช่ไหมขนาดที่เขาเวลาตายไปแล้วเขาเหรียญห้าเหรียญบาทยัดใส่ปากก็ยังไปคลายอยู่ที่ผีป่าช้านะยูที่เมรนะ์นั่นที่พี่เผาศพนะกระดูกตัวเองก็ยังเอาไปด้วยไปได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าโลกนี้มันจะเป็นโลกมีความสุข สิ่งเหล่านี้เราต้องคิดแต่ถึงยังไงผู้ที่ผ่านมาแล้วสู่มาแล้วก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดในจุดนั้นๆแต่สรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ก่อนที่จะไปนะ่ตายแล้วไม่สูญจุดนีนะ้ให้ศึกษาให้ศึกษาทำคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบายการท่านยืนยันหัวเด็ดตีนขาด หลวงพ่อนี่ยก็เถื่ยืนยันมาตายแล้วไม่ศูนย์เพราะฉนั้นสิ่งไหก็ตามหลวงพ่อจึงคิดดีทดําดีพูดดีเพราะว่าตายแล้วไม่ศูญถ้าว่าพบหน้าชาติหน้าถ้าว่าพวกเราทันทั้งหลายปฏิบัติตนดีแล้วหนึ่งต้องไปดีถ้าผู้ที่พ้นภาวนาพบในพบนี้ชาตินี้พ้นทุกข์ได้ก็ดีเป็นพระอรหันต์แล้วก็จบไปเลยแปลว่า ชำระกิเลสภายในจิตในใจของเราอย่างพระอริยสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านในสำเร็จมรรคสำเร็จผลถึงพลละระนิพพานแล้วก็จบแต่พวกเราท่านยังไม่ถึงขนาดนั้นจะต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ก็ควรจะสั่งสมคุณงามความดีอย่างที่พูดนั่นะคิดดีทาดีพูดดี ในเมื่อคิดดีพูดดีทําดีแล้วความดีนะ่าจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราบุญกุศลนะคือคิดดีทดําดีไม่ใช่อื่นไกลนะถ้าคิดชั่วทําชั่วนะคือบาปบาปอกุศลคนที่มีบาปบาปมากบาปน้อยต่างอีกต่างหากคิดชั่วมากๆทําชั่วมากๆพูดชั่วมากๆแล้วจะเป็นยังไงถ้าคิดชั่วน้อยทําชั่วน้อยพูดชั่วน้อย มันก็อีกอย่างหนึ่งถ้าคิดดีน้อยทำดีน้อยพูดดีน้อยมันก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าคิดดีมากๆทํทำดีมากๆพูดดีมากๆคือพระพุทธเจ้าพระอรหันตตรัสรู้พวกพท่านขอยให้พวกเราคิดคิดให้มากๆากถ้าคิดมากดีมากๆคือพุโทโธพุโทโธทั้งวีทั้งวันทั้งยืนทั้งเดินมีอริยบทไหนยืนเดินนั่งนอน มีสติสัมปชัญญะนั่นแหละคิดดีถ้าคนคิดดีอยู่อย่างนั้นตลอดมีสติอยู่กับตัวเองอย่างนั้นนั่นแหะบุญกุศลมรรคผลที่พ่านอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายวันนี้ได้แนวให้แนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายต่อเ น, นื่ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร